ครับต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราจะทําความสงบจริงจริงแล้วเรามาอยู่วัดนี่เราจะต้องทําความสงบอยู่ตลอดเวลานั่นแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทําความสงบไม่ใช่เท่านั้นดอก การมาสู่วัดมาสู่สำนักปฏิบัติก็คือเราจะมาทําความสงบนั่นแหละเพราะเรารู้แล้วโดยเหตุโดยผลโดยความที่เราคุ้นเคยมาเรารู้ว่าถ้าทำความสงบแล้วมันเกิดความสุขความร่มเย็นในใจเราก็เลยมามาเพื่อจะทําความสงบถ้าเรามาเรามีความรู้สึก นึกคิดอยู่เสมอว่าที่เราตั้งใจมาเนี่ยคือมาทำความสงบคิดอย่างนี้อยู่เสมอเราจะทำอะไรมันก็เป็นไปเพื่อความสงบทางนั้นแต่ถ้าเราเผลอไปเผลอไลไปไม่ิมดคิดลืมไปเผลอตัวไปเผลอใจไปแล้วก็คิดไปตามภาษาที่เราเคยคิดมา จนท เ, าาเที่ยวชานทำนานน่ะแหละคือเที่ยวคิดเพ่นผ่านไปคิดไปเรื่อยจินต่างๆไม่พยายามล ง, งมสู่ความสงบความสงบโดยเฉพาะในการคิดนี่ก็คือว่าคิดมากไปมันไม่สงบถ้าคิดน้อยลงก็สงบสงบมากขึ้นน้อยลงน้อยลงได้ล ง, ลงก็สงบเยอะขึ้นสงบดีขึ้นดีขึ้นนั่นแหละ คือความหมายของความว่าสงบจิตสงบใจส่วนสงบกาวิาจาน่ะรู้มันรู้ง่ายมันเห็นง่ายมันสังเกตง่ายอย่างสงบวาจารนี่ก็เราพูดแชทแชทแชแชนะ่ะเราหยุดพูดเนี่ยน่ะมันะมก็สงบแล้วหรือไม่เราเข้าไปในที่ชุมชนที่เออะเฮาเจียวเจ้าส่งเสียงดัง กับสักประเดี๋ยวหนึ่งมีใครจะโจนขึ้นหรือบอกให้สัญญายขึ้นแล้วเกิดสงบลงมาเราจะรู้จักสังเกตเห็นมันชัดเจนได้กายก็ยิ่งชัดกายไม่สงบคือกายที่เคลื่อนไหวไปมาถ้าสงบก็คืออยู่นิ่งนั่นเรารู้จักเราเห็นเห็นชัดเจนอันนี้เราไม่เห็นคนอื่นก็เห็นนี่ใจนี่น่ะ ใจสงบนี่นะใจเราที่สงบเราก็มองไม่เห็นใจคนอื่นสงบเราก็มองไม่เห็นนีแล้วจะทํำยังไงกับมันแล้วมันเป็นจริงที่สําคัญที่ด้วยนะที่มากันมาจะประพฤติปฏิบัติสุกผลอบรมเนี่ยก็จะมาสงบมาฝึกผลอบรมเอานี่แหละเอาใจสงบนี่แหละแล้วจะทํำยังไง ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอื่นแหละก็ทําอย่างนี้แหละทําอย่างที่หลวงปู่ทแนะนำตัณฑ์ใช้คําว่าตัณงส์สติกําหนโดจิตนะทําใจเป็นกลางๆนะให้ใจอยู่กับพุทธโธนะให้ตัณฑจิตใจอยู่กับลมหายใจให้มีสติจำปัญญะรู้ตัวอยู่เสมอนะอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ทํากันอย่างนี้แหละ หลวงปู่เองที่ท่านมาสอนพวกเราท่านก็ทำอย่างนี้เหมือนกันถึงอาจารย์ของท่านที่ท่านไปศึกษามานะี่ยมีหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านก็ทำอย่างนี้ลหละมันก็ได้ประโยชน์คือมันเป็นความสุขมันเป็นความสงบของจิตของใจใจที่ไม่รู้จไปจับไปหาที่ไหนเนี่นะมันไม่มีตัวไม่มีตนเลยในที่สุดท่านก็ฝึกได้นั่นแหละ มันดียังไงลองคิดดูสิการฝึกโดยวิธีของท่านเนี่ยฝึกได้กระทั่งไอ้เสนี่ไม่มีตัวมีตนจับต้องไม่ได้ก็สามารถฝึกให้มันอยู่ให้มันสงบลงได้เนี่ยมันเก่งอันนี้ยมันดีอย่างนี้นะักวิธีวิธีที่ฝึกเนี่ยซึ่งท่านท่านใช้ฝึกนี่นะก็ไม่ได้เอาอื่นไกลเราสังเกตดูว่าท่านให้เอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่นะ ง่ายง่ายแต่ง่ายนี่นะเราลองคิดดูที่รมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีกันทุกคนนั่นแหละกลางวันกลางคืนเช้าสายบ่ายเ ย, ย็นมีทุกเวลาเราเถอะไปมันก็หายใจอยู่นั่นแหละหลับไปแล้วมันก็ยังหายใจอยู่มันหาง่ายง่ายนี่มันอยู่กับตัวมีพร้อมอยู่แล้วท่านเอาของง่ายง่ายนี่แหละเอาของใกล้ๆตัวนี่แหละยิบยกอันนี้แหละขึ้นมา มาเป็นอุปกรณ์สําหรับฝึกไอที่จับตัวไม่ได้เนี่ยไอทีมันรู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยถ้านเอาอันนี้นะมาฝึกส่วนพวกเราเนี่ยจะไม่หาเอาไกลบางคนก็คิดมากบางคนก็อ่านมามากสําหรับตำราเฉลียวเยลามันจะมองเก็ียบแหลมเนะนี่ยเรียนหนังสือมาพอเยอะเนี่ยว่าเกนะ็เียบแหลมเที่ยวจาะฝึกไม่ได้หรอกอย่างนั้นอนะ่ะมันฝึกไม่ถูกไอทียังไงมันก็ไม่ถูก พรวิธีมันจะเกิดมันต้องทําอย่างนี้เหมือนเขาเพาะถัวงอกอย่างนี้นะ่ะหรือเขาปลูกต้นเนี่ยต้นประดู่อย่างนี้นะ่ะมันปลูกคนละวิธีกันเขาเพาะถั่วงอกเขาทำยังไงเขาต้นประดู่เขาทำยังไงเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเราปลูกต้นไม้อย่างนู้นเก่งแล้วเราจะมาทําอย่างนี้เก่งเนะี่ยมันมันไม่เก่งหรอกเพราะฉะนั้นการปลูกแบบครูบาอาจารย์ท่านปลูก แล้วท่านดีมาแล้วได้ประสบผลดีมาแล้วคือท่านทําเอาง่ายๆนี่แหละเอาเพืนเ้นอย่างนี้พวกเรามาก็ต้องยินดีในการที่จะฝึกแบบง่ายๆอย่างนี้แหละเอาแบบง่ายๆแบบที่ว่ามันไม่น่าจะดีเลยนี่นะลมหายใจนแต่ท่านก็เอาดีจนได้แล้วมันตรงนี้แหละนะมันคึอจะเป็นจุดที่จะพาไปสู่ความดีท่านสูงสุดนะี่ะมันต้องเอาตรงนี้ ไม่ใช่ไปเอาความรู้ที่มากมายมหาอาาลเหล่านั้นขึ้นมาเป็นบันไดต่ายเจ้าขึ้นไปนั่นโอ้ยไม่ได้เรื่องหรอกที่นั้นไม่ได้มันพาต่ายลงไปไหนไม่รู้มันไม่ใช่ไต่ขึ้นมันต่ายลงแต่ต้องเอาแบบพระพุทธเจ้าแบบหลวงปู่เรานี่แหละมันถึงต่ายขึ้นถ้าเอาลมหายใจง่ายไหมลองคิดดูเรารู้หรือเราไม่รู้มันกว่าหายใจอยู่เนี่ยเพียงแต่ว่า แทนที่เราจะหายใจไปเฉยไม่รับรู้มืนนะเราเอามารับรู้เสียมันก็หายไปอยู่อย่างนั้นแหละเราไม่ไปบังคับมาหรอกแต่เรารับรู้มันออกหายใจเข้าอ๋อแก้หายใจเ ข, าจาจเขา้าก่ก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักรู้จักอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่รู้จักเดีย๋ยวนี้รู้จักรู้จักเฉยๆนะี่จะไปบังคับมาจะไปบังคับเขา เขาอยู่เป็นปกติของเขาอย่างนั้นมานานแล้วเราหลับอยู่เขาก็ทําอย่างนั้นเราเจริญอยู่เขาก็ทําอย่างนั้นเรากินข้าวอยู่เขาก็ทําอย่างนั้นเขาทาอยู่ของเขาสบายแล้วเราเพียงจะไปไปรู้จักเท่านั้นแหละไปรู้จักเท่านั้นไม่ไปต่อไปต้านไปขัดไปขวางไปรงังไปขื light, นะอะไรทั้งสิ้นนี่แหละคือวิธีภาวนาที่ถูกต้องทําอย่างนี้แหละจิตจะสงบเนี่ย เรามารู้จักวิธียินดีในการที่จะทำวิธีนี้แล้วนะมันดีขึ้นมาห้าสิเอร์เซนต์เครื่องหนึ่งแล้วที่นี่เราทำให้มันถูกคืออย่าไปบังคับมันียงจะรู้เฉยๆรู้หายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักหน้าที่ของเขาคือหายใจเข้าหายใจออกหน้าที่ของเราคือรู้ ทำหน้าที่ของตนให้มันถูกต้องให้มันสม่ําเสมอเนี่ยให้มันยาวนานนั้นก็ย่อมได้ผลเท่านั้นเนี่ยของเขาน่ะเขาได้ผลมานานแล้วนะหายจะต้องหายใจออกเนี่ยดูที่นานเท่าไหร่จนกระทั่งเบลเบลนะเริ่มหายใจก็ อ, ออกจากท้องแม่มาก็หายใจหายใจกรองให้ใออกตั้งแต่นูนนะ้น่ะมาถึงเดี๋ยวนี้อายุตั้งแปดสิบเจ็ดสิบ เก้าสิบเนี่ยหลายปีขนาดไห น, นเขายังทำงานของเขาอยู่เสมอสมอนี่แหละผลของเขานะัเขาได้แล้วคือความเจริญของร่างกายความเป็นไปของร่างกายปกติมาเ น, นี่ยมีผลของเขาส่วนผลของเราเนี่ยเราทำความรู้จักให้มันสม่าเสมอยาวๆนานๆไม่ใช่หรือสองจิกสามจิกแล้วก็เลิกกันอย่างนั้น มันก็ไม่เจริญสิคือความจะ ด, ดีของจิตความจะ ด, ดีของใจเนี่ยมันไม่เจริญส่วนร่างกายเขาเจริญเพราะาเขาทำงานปกติของเขาเขาทำมาเรื่อยเขาไม่เคยหยุดไม่เคยรังเคยรอไม่เคยไปสนใจใครหรอกจะดีจะ้ล่ใครจะดีแล่ช่างหัวใครเขาก็ทำของเขาเขาหายใจเขา้าหายใจออกแต่เราเนี่ย ถ้าเราไม่ไปมัวใครแล้วก็ทําหน้าที่ของเราคือหายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักตามกันไปอย่างนี้นะเ ร, เรื่อยๆยาวๆในที่สุดถ้าเราทํานามเนี่ยมันก็จะเกิดผลเหมือนกันคือความตั้งมั่นความรู้ตัวความจดจอ่อคือสติความรู้ตัวคือตั้งใจเช่นญา ความยืนหยัดอยู่ไม่หนีไปไหนนี่คือสมาธินั่นมันได้หมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปนะสรุปก็เป็นว่าเรานี่ที่ยังไม่ดีนะเพราะมันไม่ทํางานของตัวให้มันสม่ําเสมอตลอดให้มันติดต่อกันไม่เหมือนเขาเท่านั้นแหละนิดหน่อยเท่านั้นแหละเอาต่อไปนี้หลายปีก่อนเราจะตายนี่นะ เราเอาค่ะตั้งใจทําเทราว่าหายใจเข้าก็จะรู้จักเอาแค่รู้จักนะอย่าไปบังคับไม่ต้องไปสั่ไปดันอะไรเท่าไหรไม่ต้องไปอยากให้เขาหายใจแรงหายใจค่อยไม่ต้องละ่ะเฮ้ยเขาทํางานของเขาไปปกติเราก็จงทํางานของเราคือเฝ้าสังเกตเฝ้าดูเฝ้ารู้เท่านี้เนี่ยยากไม้มงานอ่ะมันง่ายแสนง่าย ยังจะเข้ารู้ล้วนั้นแหละเท่านี้แหละคือภาวนาเท่านี้แหละคือการปลุกจิตปลุกใจเท่านี้แหละที่จะทาให้เกิดคุณภาพจิตใจที่สงบร่มเย็นจิตใจที่จะเป็นสมาธิจะเป็นอะไรสมาธิละ่ะอุปจา ร, า, รารสมาธิคณิตกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นทานเป็นอะไรมันเป็นได้ทั้งนั้น ขะให้เราทำให้มันถึงที่เถอะหน้าที่ของเราเนี่ยอย่าทำบ้างแล้วก็หยิบ ก, ก็ยอดก็จงก็เย่งไปมีอารมณ์ไม่ก็ไปแล้วอย่างนี้แบบนี้มันไม่ทํางานของตัวสิมันจะเจริญได้ยังไงขอพวกเราทุกที่เนี่ยล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้นลลนออนเอาใจไวันนีความแก้หลวงปู่กันเนาะทําความสงบจังจิตจังใจไว้ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมอยู่มีแต่เราเนี่แหละ มันไม่ส ม, ม่ำเสมอเท่านั้น